มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวกักพระกวะโตอัปปาพาทะปัญหาที่เก้าถามว่าที่ตรัสว่าพระองค์เลิศยิ่งไม่มีผู้เสมอเหตุอะไร ยกพระภากุละว่าเลิศยิ่งฝ่ายอาพาธน้อยพระองค์ก็อาพาธน้อยเหมือนกันสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามอัฏฐปริศนาสื่อไปเล่าว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีายาญสมเด็จพระบรมโลกนาตศาสตราจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสว่าตถาคตนี้พราหมโน เป็นพรามยาจะโยโคผู้ควรซึ่งยาจกจะพึงขอปะยะตะปานีล้างมือไว้คอยท่าจะให้ทานอันติมะเทหะทโรส่งไว้ซึ่งกายอันเป็นที่สุดชาติเดียวอนุตตโรเป็นผู้ยิ่งหาสิ่งเปรียบไม่ได้พิงสะโกเป็นหมอยารักษาไข้ทั้งปวงนี่แหละพระองค์ตรัสยกยอพระองค์ว่า ประเสริฐกว่าสับพัตว์สิ้นทั้งปวงพระพุทธองค์เจ้าตรัสชะนี้แล้วกลับมีพระพุทธดีกาตรัสสันเสริญยกย่องพระภากุลเทระในตำแหน่งเอตะทะคะว่าพระภากุลภิกษุนี้มีอาพาธน้อยประเสริฐกว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ดังนี้และพระผู้ทรงพระภาคก็ได้ทรงประชวนเป็นหลายครั้ง เห็นปรากฏอยู่โยมนี้สงสัยแคลงใจนักไม่รู้ว่าจะเชื่อคำไหนจะเชื่อคำต้นคำหลังก็ผิดไปครั้นจะเชื่อคำหลังไซคำต้นก็จะผิดโยมคิดคิดดูก็หารู้ที่จะกำหนดไม่ฉะไหนพระพุทธดีกาจึงเป็นสองไม่ต้องกันอายังปันโโหปริศนานี้อุพัโตโกติโก มีที่สุดเป็นสองเงื่อนตวานุปปัตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาให้โยมแจ้งก่อนเทโรอาหะพระนาคเษนผู้ทรงอริยสังวจรจึงวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระอสิติมหาสาวกทั้งหลายแปสิบรูปมีคุณวิเศษต่างๆกัน สมเด็จพระสัพพันยุบรมครูเจ้าก็ยกเป็นเอตะทะะักะตามคุณวิเศษต่างๆกันใช่ว่าพระองค์เจ้าจะยกย่องพระภากุลเถระว่าพระภากุลเถระนี้เป็นอนุตตรโรไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนพระองค์ก็หาไม่ได้ซึ่งสมเด็จพระองค์เจ้าตรัสว่าพระมโนพระองค์เป็นพรามนั้น ด้วยพระองค์ทรงบินธบาตโปรดสัตว์ตระบะโลกทั้งปวงดุดพรามยาจกอันเข้าทุกตรอกออกทุกบ้านเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตประการหนึ่งสมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่าพิงซะโกพระองค์เหมือนหมอยารักษาไข้นั้นด้วยฝูงสัปปสัตท์ทั้งปวงประกอบด้วยทุกสี่กองคือชาติที่ปฏิสนธิในคันมารดานี้ ลำบากเหมือนหนึ่งว่าตกนรกจะหาสุขสักหน่อยให้มีความสบายเท่าปลายเข็มนั้นก็ไม่ได้จึงจัดว่าเป็นทุกกองใหญ่ประการหนึ่งชลาทุกนั้นเกิดมาแล้วเมื่อจำเริญไว้ก็ดูผ่องใสโสภาครั้นแล้วก็ชราภาพมีกายสัน ร, ระเทิมเถามีเกสาขาวขันดะทันตา ฟันก็หลุดหล่นไปอาหารที่เคยเคี้ยวได้นั้นก็เคี้ยวไม่ได้เสื่อมรถไปจะพูดจาเขละก็ไหลออกจากปากขณะเมื่อนอนนั้นก็ดีมีน้ำเขละไหลเหตหาฟันจา ก, กันไม่ได้เนื้อหนังเหีวแห้งไปเท้ามือไม่เป็นใหญ่ง่อนแง่นหนักหนาทันดะปารายโนถือไม้เท้าจดจ้องไปข้างหน้า ถึงซึ่งสภาวะเป็นที่เกลียดชังยิ่งนักจะว่าไปนักจะยาวความเหตุฉนี้แหละจึงชื่อว่าชลาทุกเป็นทุกใหญ่กองหนึ่งพยาที่ทุกนั้นคือฉันนวุติกะโรค96จ้าสบหพวกจําพวกใดจําพวกหนึ่งเกิดขึ้นในกายแล้วเจ็บปวดเสียดแทงทนเวทนาสาหัสเป็นทุกใหญ่กองหนึ่งและมรณะทุก เมื่อตนจะตายนั้นเป็นห่วงด้วยทรัพย์สมบัติห่วงบุตรห่วงภรรยาน้ําตาไหลตกตะลึงไปไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนเลยเจ็บปวดจนขาดใจดังนี้จึงว่าเป็นกองทุกขใหญ่กองหนึ่งเสือริเป็นกองทุกสี่กองมีในสันดานของสัตว์โลกหญิงชายสัตว์โลกทั้งหลายนี้ไม่พ้นจากทุกสี่กองนี้ ทุกตัวตนเปรียบเหมือนคนไข้สมเด็จพระบรมโลกาณาจึงประทานยาคือตรัสพระสัทธามเทศนาโปรดนิกรสาธุชนให้พ้นจากชาติชลาพยาธิมรณะเข้านิพพานดับทุกสี่กองนี้ได้เหมือนหมอวางยารักษาไข้ให้หายอันนี้เป็นอธิบายในคำว่าพระองค์เป็นหมอ ข้อที่ตรัสยกพระภากุละเถระว่ายิ่งเป็นเอตทะทะนะนั้นคือยิ่งโดยอาพาธน้อยกว่าสาวกทั้งหลายพระภากุละเถระที่จะยิ่งกว่าสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสตราอ า, าจาร์หามิได้เป็นอันขาดมหาราชะขอถวายพระพรที่สมเด็จพระมุนินทรบรมสุคตเจ้าตรัสยกย่องพระสาวกว่าเป็นเอตทะทะะนั้น พระองค์ทรงหมายเอานิกายและโลกุตระธรรมอันมีอยู่ในตนฐานะจังกมิตายะสาวกทั้งหลายของสมเด็จพระบรมครูเจ้าให้การล่วงไปด้วยยืนและจงกรมทั้งในกลางวันและกลางคืนมีอยู่ส่วนสมเด็จพระบรมครูเจ้าให้การล่วงไปด้วยประทับยืนบ้างสเสด็จจงกรมบ้างประทับนั่งบ้างบรรผมบ้าง ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมหาราชะขอถวายพระพรพระสาวกเหล่าใดเป็นผู้ให้การล่วงไปด้วยยืนและจงกรมพระสาวกเหล่านั้นเป็นผู้ยิ่งพิเศษโดยฐานคือเป็นผู้ยืนและจงกรมนั้นสันติโขปณะมหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งสาวกของพระบรมครูเจ้าทั้งหลาย ที่ถือเอกาสนะฉันจังหันวันละหนแม้จะถึงแก่ความตายก็ไม่ฉันหนที่สองก็มีอยู่ส่วนสมเด็จพระบรมครูเสวยวันละสองครั้งก็มีสามครั้งก็มีมหาราชะขอถวายพระพรพระสาวกเหล่าใดเป็นผู้ถือเอกาสนะได้พระสาวกเหล่านั้นเป็นผู้ยิ่งพิเศษโดยฐานนั้น มหาราชะดุราณะบพิธผู้ประเสริฐเหตุจะทําให้เป็นผู้ยิ่งเป็นผู้พิเศษมีอยู่เป็นอันมากหลายอย่างหลายประการที่พระบรมโลกุตมาจารตรัสยกย่องพระสาวกทั้งหลายว่าเป็นเอตะทักษะฝ่ายใดฝ่ายใดพระองค์ก็ทรงหมายเอาองคุณฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นอันเป็นเหตุมีอยู่เป็นอย่างยิ่ง ส่วนสมเด็จพระสัพพันยูนั้นเป็นผู้ยิ่งหาผู้ใดจะเสมอไม่ได้โดยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติญาณัทสนะภะละญาณสิบเวสารัชญาณสี่พุทธธรรมสิบแปดอาสาธ ร, รณะญาณหกและพุทธวิสัยธรรมทั้งสิน้นสมเด็จพระมุนินธรบรมสุคตเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเลิล่ล้น หาคนผู้ใดจะเสมอไม่ได้นั้นก็ทรงหมายทำทั้งหลายเหล่านี้มหาราชะขอถวายพระพรในหมู่มนุษย์นิกรทั้งหลายคนหนึ่งเป็นผู้มีชาติคนหนึ่งมีทรัพย์คนหนึ่งมีวิชาคนหนึ่งมีศิลปะคนหนึ่งกล้าคนหนึ่งมีปัญญาสมเด็จพระบรมกาัตัตย์ขัตติยาธิปดี ย่อมประเสริฐลุ่งเสียซึ่งมนุษย์นิกรเหล่านี้ได้เป็นผู้สูงสุดแต่พระองค์เดียวชั้นใดสมเด็จพระจอมไตรโลกกน้าเจ้าก็ประเสริฐกว่าสัพพสัตทั้งหลายมีอุปมาฉันนั้นพระภากุลเถระนั้นจะประเสริฐยิ่งไปกว่าสมเด็จพระบรมศาสดานั้นเป็นอันไม่ได้มหาราชะดูราณะบพิษผู้ประเสริฐ ซึ่งพระภากุลเทระเป็นผู้มีอาพาธน้อยนั้นด้วยอานิสงที่ได้ปฏิบัติอุปถากพระอนนมัติ ส, สีสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประชวนอาพาธซึ่งเกิดขึ้นด้วยสามารถลมเสียดแทงพระอุทธรให้เสื่อมหายคลั่นภายหลังในอัปราชาิเป็นดาบทประพืชพรตอีสิเพศได้ถวายยาแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย28แแสน ซึ่งเป็นสาวกของพระวิปัสสิสัมพุทธเจ้าผู้อาพาธด้วยโรคลมดังก่อนพญาทิงอปเนตตวาบำบัดพญาที่ให้เสื่อมคลายหายไปกลับมีร่างกายเป็นปกติดีพระานิสงส์นี้ตามส่งให้มีโรคน้อยมาหลายสิบชาติตราบเท่าถึงชาติเป็นพระภากุละนี้ก็เป็นผู้มีโรคน้อยนักหนาจนสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงยกย่องว่าเป็นเอตัคะเอกกว่าสาวกทั้งหลายฝ่ายข้างอาภาธน้อยแต่หายิ่งไปกว่าพระองค์ไม่มหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์เจ้านั้นจะประชวนก็ดีไม่ประชวนก็ดีสมาทานทุดงก็ดีไม่สมาทานก็ดีจะมีสัตว์ผู้หนึ่ง เสมอเหมือนพระองค์เป็นอันว่าหามิได้แม้พระองค์เองก็ได้มีพระพุทธดีการตรัสไว้ในคมภีรสังยุตตานิกายเป็นใจความว่าพิกเขเวดูกระระภิกษุทั้งหลายสัดเล่าใดไม่มีเท้าก็ตามสองเท้าก็ตามสี่เท้าก็ตามมีเท้ามากก็ตาม ม, าตา ม, มีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาก็ตาม หาสัญญาไม่ได้ก็ตามจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามพระตะถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเตสังอคคามขายติบัณฑิตย่อมกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินได้ทรงสดับก็สิ้นสงสัยทรงสมนัติสองสาธุการสรรเสริญพระนาขเสนว่า มีปรีชาในการบัดนี้ภควตโตอปปาพาทปปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเพียงนี้